ฉันเคยได้ยินแก่ตอบคําถามลูกเสมอและบางคําตอบน่าสนใจมากเช่นคนเราเกิดมาเพราะติดค้างอยู่กับความไม่รู้เลยต้องมาเรียนรู้ทีเนี้ฉันอยากรู้ว่าที่ไม่รู้นั้นคืออะไรแล้วที่ควรรู้นั้นคืออะไรคุณพ่อลูกหนึ่งตอบอย่างไม่ลังเลว่ามนุษย์ทุก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 มองไม่เห็นรูปรถเก๋งคันเดิมในชิ้นส่วนใดๆอีกใจฉันวาบว่างไปชั่วขณนะเมื่อจินตนาการเห็นความว่างเปล่าไร้แก่นแท้ของรถยนต์ถึงกับอึงเงียบเป็นครู่ก่อนถามต่อคือสงสัยว่าเมื่อฉันรู้สึกว่ากายใจเป็นของว่างเปล่าเหมือนรถยนต์ที่ปราศจากตัวตนอย่างนี้แล้วถือว่าพอหรือยัง